ติดตามดาวน์โหลดธรรมะอีกมากมายได้ฟรีที่ jocho.net j, net, j o z h o n e t หรือพิมพ์ภาษาไทยว่าโจโฉเพื่อค้นหาได้เลยนะครับดาวน์โหลดฟรีกับเสียงเทศนาธรรมจากหลากหลายครูบาอาจารย์เสียงอ่านหนังสือเสียงสวดมนต์เพลงธรรมะยังมีเสียงอ่านอีกหลายเรื่องที่ผมจัดทาไว้นะครับก็ติดตามผลงานทั้งหมดของผมได้ที่เว็บไซต์ jocho.net เช่นเดียวกันนะครับ